ต อ, อนความสุขสามระดับตอนที่สองวันที่21มีนาคม 2,562 คนที่กระทำความดีไม่เคยทำชั่วและไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยเมื่อละสังขารแล้วจะเป็นอย่างไรครับไม่มีสูตรสมเด็จมันอยู่ที่ของเก่าบวกกับชาติปัจจุบันคือผล นะคุณครูสอนเด็กๆหนึ่งบวกสองเรารู้เลยอนาคตคือ3นะถ้า 2-2 บวกอนาคตคือ4นะมันอยู่ที่จิตเขาบันทึกนะวิบากมาอย่างไรแต่ถ้าตอนนี้ดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำนะชาตินี้ก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับลิงกับเสือเกิดมาใช้หนี้กรรมไปชาติหนึ่งนะ ก็สูญเสียโอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะส่วนไปไหนนั้นน่ะตายแล้วดับไหมตายแล้วสูญไหมเออตายแล้วเกิดไหมถ้าเราตอบตายแล้วเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราตอบว่าตายแล้วกลับตายแล้วดับเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันมีทั้งเกิดทั้งดับมันไม่มีสูญ ต, ตายตัวเนาะ คนที่มีความดีก็ไม่เคยทําความชั่วก็ไม่เคยก่อสมาธิก็ไม่รู้จักเมื่อละสังขารแล้วจะเป็นอย่างไรก็เป็นแาบที่มันเป็นเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองเนาะนั่นแหละก็คําถามใกล้ๆ ก, กันเหมือนกันอยากทราบว่ามีไหมครับคนที่ไม่มีอดีตชาติแต่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัพสัต์ ต่างๆบนโลกคำตอบคือไม่มีนะเราไม่ได้เกิดมาจากก้อนหินก้อนก้อนปูนเนาะนะมันมีเหตุของมันอยู่ทั้งนั้นแหละนะการปฏิบัติธรรมโดยมุ่งหวังนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ตกลงว่านิพพานเป็นจุดหมายของการปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วจึงได้ผลพลอยได้เป็นนิพพาน มันอยู่ที่เราอะเนาะบางคนปฏิบัติแล้วเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจดีนะบางเอิญนว่าไม่ได้หวังอะไรบางเอิน่นบุญเก่ามันก็มีก็บวกไก่ตัวนี้เข้าไปมันก็ไปนิพพานได้นะก็กลายเป็นผลผอยได้ของเราแต่ถ้าเกิดว่า เ, เราไม่มีนิพพานเป็นเป้าพอปฏิบัติปุ๊บระหว่างทางเราเจอคนสักเราก็หยุดนะ แล้วก็ภาคให้มีเป้าไว้แต่อย่าไปจริงจังหวังอะไรมากมายคนเราถ้าทําไม่มีเป้าเดี๋ยวมันสเปเเเตะสป ะ, ะระหว่างทางกำลังปฏิบัติก็บอกหยุดจุดหยุดไหไปกินเหล้ากันกะ่อนนะเดี๋ยวปีหน้าปฏิบัติก็ได้เนี่ยมันก็ผัดนันประกันภูมนะมันไม่ได้ผิดมีนิพพานคนเราทําอะไรเพื่อเพื่อพ้นทุกข์เรามันมีอะไรไม่ดีเหรอนะไม่มีอะไรไม่ดีนะส่วนมันจะพ้นหรือเปล่าไม่ใช่อยากก็ได้เนาะ นะไม่ใช่อยากก็ได้เคยไปฝึกกรรมาฐานที่นครพนมแล้วเห็นผู้ที่ฝึกมานานเสียชีวิตแล้วกระดูกเป็นแก้วใสมีลักษณะแข็งตัวแบบนั้นคือการเข้าถึงนิพพานหรือเปล่าครอาจจะเป็นไปได้ครับนะและทีนี้ผลึกที่มันเกิดขึ้นนี่มันมันมีหลายแบบ นะอุบายวิธีในการเทคนิคเราฟอกกระดูกเราเนี่ยมันคนละอย่างนะมีหลากหลายมันมีชื่อเรียกมากมายนะการที่เราปฏิบัติแล้วสะสมบุญอาจถึงนิพพานแล้วถ้าออกจากกรรมฐานแล้วปฏิบัติตนไม่ดียังมีรักโลกโกดหลงแล้วแบบนี้จะได้บุญไหมส่วนที่เป็นบุญก็เป็นบุญมันยังไม่หายไปไหน ส่วนที่เป็นบาปก็เป็นบาปองคุริมานเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยไปฆ่าคน999เป็นบาปส่วนที่เป็นบุญเนี่ได้เจอพระเจ้าเห็นไหมเจอปุ๊บปิ้งไอ้บุญเกา่าบวกบุญใหม่เนี่ยก็บรรลุทำได้นะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปรับเขาบอกว่าทาบุญถ่ายโทษเนี่ยมันเป็นภาษาพูดเนาะถ่ายไม่ได้โทษก็ต้องรับ เพีแต่ว่าไอ้เมื่อเราทำอุณหจิตเราเบานะเรามีอินทรีย์พละงมากขึ้นพอโทษมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความรู้สึกที่เราไปทุกข์กับมันมันจะผ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้นเองเราไปหยุดกรรมไม่ได้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติแต่หลังจากความตายจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์จะเป็นเทวดาอันนี้ก็คือธรรมชาติหรือคใช่คำ ธรรมชาติมีนรกสวรรค์เปรตอสุรลกายสัตรัาาตรเดรนก็คือธรรมชาตินะก้อนหินก้อนอะไรนี่ก็คือธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติทีนี้เริ่มจิตวิญญาณเนี่ยธรรมชาติมีระดับเดรัจฉานเ็าเรียกว่าเดรัจฉานวิชานะเออระดับมนุษย์ผู้ประเสริฐระดับผ้าริยะอริยะเขาก็แบ่งเป็น สคู่8บุรุษเหมือนเหมือนแขั้นเนาะเหมือน8ขั้นนะขั้นแรกคือโสดาปฏิมาขั้นขั้นโสดาปฏิมาขั้นที่สองคือโสดาปฏิผลขั้นที่สาคือสกิทาคามีมักขั้นที่สคือสกิทาคามีผลขั้นที่ห้าคืออนาคามีมักขั้นที่หคืออนนาคามีผลขั้นที่เจคืออาหัตตามัก ขั้นที่8คืออรหัตผลสหคู่แดบุญหุษเป็นสมควรแก่สักการะในบูชาส่วนชีวิตนี้พระครูแนะนำนะอย่างต่ำที่สุดเปิดประตูออกไปให้มันเข้าไปถึงกระแสธรรมก็คือเข้าไปกระแสมากขั้นต่ำคือโสดาปฏิมากนี้ไม่มีนรกอีกแล้วนะบางทีเกิดไปต้องไปเสียเวลาอยู่บนสวรรค์ไม่ล่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีนรกสมบัตินะ เขาเรียกว่าได้วีซ่าแล้วถ้าไม่มีมนุษย์ผมว่าคนเราไม่จำเป็นต้องหาทางพ้นทุกข์และไม่ต้องทำงานไม่ต้องดินรนเอาชีวิตรอดอยากรู้ว่าทำไมต้องเกิดมาไม่เกิดมาไม่ได้หรือไม่ต้องมีมนุษย์ไม่ได้หรือ อยู่ที่ตัวเราล่ะถ้าไม่อยากเกิดมาเนี่ยก็ทําอย่าให้มันเกิดเราทําได้นะเกิดมาก็ร้องไห้แก่มาก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บมาก็ ก, ก็ทุกข์อีกตายวันตายก็ทุกข์อีกถ้าไม่อยากแก่เจ็บตายต่อไปนี่ห้ามเกิดดีนเด็ดขาดเราก็ไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะส่วนก็เปลี่ยนโลกไม่ได้ไม่ต้องมีภาพทิศได้ไหม ไม่ต้องมีโลกใบนี้ได้ไหมไม่ต้องมีดวงจันทร์ได้ไหมนั่นคือเรานึกเอานะมันเป็นเช่นนั้นเองของมันมันเป็นระบบธรรมชาติซึ่มันมีอยู่แล้วเนาะนั่นแหละถ้าเบื่ออยากเป็นไม่อยากเป็นมนุษย์เนี่ยเสียงมาก็ยังเป็นมนุษย์อีกนะก็ยังดีกว่าไปเป็ น, ปนสัตว์เดรนิชานหรือเนี่ยถ้าไม่อยากทำงานเนี่ยดิงไม่ต้องมาทางานนะ ดิงก็ไม่ต้องทํางานเกิดไปเป็นดิงก็ไม่ต้องทํางานเห็นไหมแต่ดิงมันมาเป็นเพียนไม่ได้ไงนะเราเกิดเป็นมนุษย์นี่คือดวงจิตที่เขาเขาผ่านการประเมินมาแล้วนะโอเคบารมีถึงเกิดอยู่ให้ล่างมนุษย์มามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นชนิดเดียวเท่านั้นที่บาเพ็ญเพียรที่ผลถูกได้พญานาคเนี่ยเขาบำเพ็นเพียนได้แต่ไม่ถึงขั้นผลถูก เขาสะสมบารมีได้เตจาจำศีลพวกนี้ได้หมดนะแต่ว่าเขาพนทุกข์ไม่ได้นะไม่ถึงขั้นพลทุกข์เราทำได้นะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วล่ะไหนๆมันก็เกิดมาแล้วก็ใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเดินทางต่อคือเมื่อกี้คำพูดถ้ามีมนุษย์ผมว่าคนเราไม่จาเป็นต้องหาทางคนทุกข์ นะสัตว์มันหาทางพ้นทุกข์ไม่เป็นหรอกแต่ทีนี้ถ้ามนุษย์มีแต่มนุษย์ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะดูอยากนำพ่อกับแม่มาทำกิจกรรมนี้แต่ไม่เป็นผลสาเร็จทั้งที่พยายามหลายครั้งต้องทำอย่างไรดีทำใจ <laughs> ชีวิตคนเราเกิดมาเบื้องบนกำหนด ไว้แล้วว่าเราจะต้องตายแบบไหนซึ่งกรรมนี้ไม่มีใครฝืนได้จริงไหมไม่จริงนะไอ้บอกแล้วกรรมเก่าทำให้เรามาเกิดบวกกับกรรมปัจจุ บ, บ, บันเนี่ยเราจะฝึกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแลเปลี่ยนชีวิตเราได้นะเหมือนปลาน้ำ้ำจืดอะทำไมเขารู้ว่าต้องว่ทวนกระแสนนะ ครูเคยตอบก็ครูใช่ไหมจําได้ไหมทําไมปานน้าจืดมันไม่มักง่ายตามกระแสไม่ต้องใช้กําลังเลยทําไมมันต้องว่ายวนกระแสเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนนะ ม, มันมีสัญชาตญาณถ้าเราไปโรงเรียนปุ๊บเราสัยความรู้อะไรเข้าไ ป, ปกบเกิดสัญชาตญาณความอยากเกิดขึ้นและเห็นไหมเห็นเขาไปก็วิ่งไปตามเขาเขาพาออกทะเลก็ออกไปเลยก็าตายกับเขาไล แต่ป่ามันไม่ทำไงเพราะมันมีสัญชาตญาณอยู่นะมันยอมเหนื่อยว่ายวนน้ามันเหนื่อยกดกดตามน้ำเนาะมันเป็นสัญชาตญาณกออ็อันนี้เขาเรียกว่าพรลิขิตที่ว่าเบื้องบนเขาลิขิตเรามาเนาะนะแต่เราเปลี่ยนลิขิตนั้นได้ด้วยการกระทําของเราเนะ่ยผู้เจ้าชี้วิธีทำก็คือทําดี ล่าชั่วแล้วก็ขัดเกลวไอ้ดิจิตที่มันบันทึกในจิตสัญญาในจิตเราเราขัดเกลมันได้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าการลืมตากับหลับตาเวลาปฏิบัติต่างกันอย่างไรต่างกันเพราะอันหนึ่งลืมอันหนึ่งลนหนงลับคือแรกๆเนี่ยพว ก, กูนแนะนำให้หลับเมื่อเราชำนาญแล้วลืมตาหลับตามีค่าเท่ากันนะ ถ้าชำนาญแล้วต้องต้องลืมเพื่อให้เห็นเราทางอะไรชีวิตเราก็ต้องลืมตาแต่ตอนที่เรายังไม่เข้มแข็งเราลืมตาบึ๊มันจะเผลอไปดูภาพเข้ามาความสงบจะเกิดขึ้นยากมากนะครับ Guerra, เวลาปฏิบัติเจอแต่ความมืดเหมือนยืนอยู่คนเดียว ทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีคนอยู่ข้างๆเราเต็มไปหมดเพราะอะไรคะเพราะมันมืดสัตวารู้สัตว์เห็นเพราะมันสว่างก็เพราะอะไรคะอีกเพราะมันสว่างเนาะนี่แหละสัตวารู้บางทีเขาสร้างความมืดมาเนี่ยสอบอารมณ์เราอะแล้วรู้สึกยังไงหละ่ะมืด กลัวแหละทําให้เราเห็นความกลัวเห็นความกลัวปุ๊บก็รู้เฉยเห็น ไ, ไหมความเมื่อยก็ เ, เป็นครูบาอาจารยนะ์ไม่มีผลสำหรั บ, บเรานะลึกเข้าไปอีกมันกลัวกลัวเราไม่มีกลัวตามมันนี่คือการฝึกเหมือนเราเป็นทหารเขาส่งให้เราเข้าไปในสนามรบเนด็กมาเจออะไรก็ไม่รู้เจออะไรที่เกิดมาไม่เคยเจอนั่นแหละถ้าไปเจออะไรเคยเจอแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะเออ เจอมืดก็ก็คือมืดเจอสว่าง ก, ก็คือสวา่างก็ได้เวลาตอบได้แค่นี้ก่อนนะช่วงนี้ก็ได้เวลาพักล่โอเคนะกี่โมงห้าโมงครึ่งคิดว่าห้าโมงเนาะโอเคงั้นจบได้คุณครูเหน<ด>ื่อยหรือยังเนาะเบื่อมีประโยชน์นะก็เอาความเบื่อนั้นเป็นอาจารย์เนาะนะทุกอย่างมีประโยชน์นี่แะคือฝึกขันติ ฟังรู้เรื่องม่นก้เรื่องบ้างแล้วก็ฝึกได้ฝึกขันตีนะอย่าเพิ่งขันแตกก่อนนะบางคนไม่ได้ขันแตกนะโงมแตกเลยนะอาะระวาเลยเนาะเข้าใจว่าการให้อยู่ที่เจตนาแต่ทาไมสังคมทุกวันนี้จึงเชิดชูคนที่ให้มากดีกว่าคนที่ให้น้อยทั้งๆ ท, ท, ที่คนให้มากบางคนอาจเป็นคนไม่ดีแต่คนที่ให้น้อยเป็นคนดีค่ะ คำตอบก็บอกแล้วว่าก็บอกแล้วสังคมทุกวันนี้ไง <c oughs> ก็เป็นเพราะสังคมทุกวันนี้เขาคิดแบบนั้นก็เลยเป็นแบบนั้นเนาะมันเป็นแบบนั้นก็เรื่องของเขาเราก็อย่าไปอย่าไปคิดเหมือนเขาเนาะเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะก็ไม่ต้องไปเปรียบ เ, เทียบนะคนเราเกิดมามันมีโอกาสไม่เท่ากันขอให้เราทำดีไว้คนอื่นไม่รู้ช่างเขานะ คำตอบก็ยังมีอยู่คําถามแล้วก็สังคมมันเป็นอย่างนี้ไงสังคมทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้เนาะก็มันเน้นเรื่องวัตถุนะให้คุณค่าวัตถุมากมากกว่าอย่างอื่นแต่การที่เขาให้วัตถุมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกยกมือทั่วโหัวาทุกข์กับเขาด้วยเราก็ได้อา น, นิสงส์ด้วยนะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกมีปฏิฆะไม่พอใจด้วยเนี่ยแทนที่เราจะได้บุญด้วยกลายกลายเป็นว่ามันเป็นบาปทางใจเนาะ ในสังคมปัจจุบันทำไมคนที่ประกอบอาชีพที่สุจริตไม่คดโกงมักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการ ง, งานเพราะต้นทุนต่บแต่คนที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นปล่อยเงินกู้ขายยาเจ้ามือหวยทำไมถึงประสบผลสำเร็จล่ำรวยอันนี้แสดงว่าเป็นสติข้า เ, นะเขาว่าสำเร็จไม่ได้แปลว่ารวยนะเขาว่าสําเร็จไม่รวยนะทีนี้ใช่ไหมเราวัดวัดจากเอาเรื่องตัวเงินว่าเรื่องวัตถุว่าเขาจะว่าเขาทําแล้วก็ได้วัตถุพวกบเขาสําเร็จนะเราเหมือนดูดูกายภาพเนาะเขาสําเร็จในวัตถุแต่จิตใจเขาบันทึกกลับไปแล้วงานเลี้ยงยังไม่จบต้องดูไปนานๆเนาะพวกะครูสมัยก่อนอยู่บนนั้นมีเจ้าพ่อ นะเป็นคู่แข่งทางการเมืองอะไรเนี่ยโอ้ไม่พอใจฆ่าฆ่าฆ่าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมขอคือว่าโดนลูกชายตัวเองฆ่าและลูกชายฆ่ากลัวตายเห็นไหมเวลาเขาจะเดินทางนะเขาไม่กล้าขึ้นเครื่องบินนะต้องขึ้นเครื่องต้องเมาเครื่องนะเขาจะนั่งรถไฟเหมาตู้ชั้นหนึ่งหมดเลยแล้วต้องมีปืนสองคนนั่งอยู่คนละข้างถามว่าสําเร็จแบบนี้มีความสุขไหม กลัวตายนะเนี่ยว่าสําเร็จแปลว่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าคนคนเขาเขาโกงเขาทําอะไรเขาผิดศีลแล้วเขาเ่ํามรวยแล้วแล้วบอกว่าเขาสําเร็จเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าได้เงินคือสําเร็จยังงานเลี้ยงยังไม่จบดูไปนานๆเกมมันยังไม่จบเนาะการปล่อยจิตคืออะไรจิตไม่ว่างแล้วจะวางอะไร จะกระจัดความคิดออกไปได้อย่างไรไม่ต้องกระจัดนะอย่าหยุดคิดก็อย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองนะก็จิตมันไม่ว่างไม่ใช่จิตมันว่างแล้วจะวางอะไรเนาะก็มันไม่ว่างนั่นแหละมันติดอะไรมันติดไม่เอกไงนะก็เหวียงไม่เอกทิ้งซะนะมันวางแล้วมันก็ว่างไงน่ะก็จิตมันไม่ว่างล่ะถ้าไม่วางมันจะว่างได้ยังไงเห็นไม ที่มันไม่ว่างเนี่ยถ้าเป็นตัวหนังสือคือมันติดไม่เอกก็เวียงไม่เอกทิงซะวางแล้วมันก็ว่างแต่ถ้าจิตเราไม่ว่างเราต้องรู้ก่อนว่ามันติดอะไรมันติดความกังวลใช่ไหมนั่นแหละก็วางความกังวลนั้น่มันก็ว่างไงนะบางทีมันบางทีเป็นเส้นผมบางภูเขานะเออบางทีมันไม่มีอะไรซับซ้อน หวังทำให้เกิดทุกข์แต่ชีวิตคนเราอยู่ในได้ด้วยความหวังจะทำอย่างไรให้ความหวังที่เราไม่มีที่ไม่สร้างทุกข์ให้ตนเองหวังหวังพอดีอย่าหวังมากนะหวังก็คือมีเป้าแล้วก็เดินไปสู่เป้านะถ้าเราไม่มีเป้าออกมาถามตัวเองเอ๊ะวันนี้เราจะไปไหน มันจะไปถูกหรือเปล่าเนี่ยใช่ั้ยเราก็มีเป้าแน่นอ น, ม, นมันมีความหวังตามธรรมชาติด้วยแล้วว่าเราก็ทำไปตามความหวังแต่อย่าหวังมากนะถ้าหวังมากปุ๊บพราผิดหวังปุ๊บเราจะทุกข์นะถ้าไม่หวังอะไรเลยทาเพราะรำเรามีเป้าแต่ไม่หวังทำเพราะทำนั่นละก็ไม่ทุกข์ทำได้แค่ไหนก็คือได้แค่นั้นแต่ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าเดี๋ยววันนี้ออกไปหาเงินพันบาท ตื่นเช้ามาเป็นรอบจ้างต่างๆนา น, นาทำขยันมากอาพอพบคั่แล้วเนี่ยได้แค่800อกลับมายังทุกอยู่นะไม่ตรงเป้าไม่สมหวังแต่คนคนนี้เขาไปจ็อกกิ้งเขาไปเดินเล่นเฉยๆไม่ได้หวังอะไรเลยนะไปเก็บเงินได้200อนี่สุกมากคนได้200สุขแต่คนได้แ0 0ทุกข์กันนะนั่นลหละคือเราหวังทำโดยไม่ต้องหวังก็ได้เนาะ เวลาที่เราเราเกิดความกลัวขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์มากจะทำอย่างไรดีซึ่งที่ทำอยู่ก็พยายามอดทนแล้ว รอให้มันผ่านไปแล้วแต่กว่ามันจะผ่านไปได้มันนานมากและรู้สึกทรมานมากจะมีวิธีแก้ไขปัญหาและสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคะรู้เท่าทันมัน้พราะครูบอกแล้วไงความกลัวทาให้เสือ่อมอย่าไปคิดจะแก้ไขจะไปฆ่ามันนะรู้เฉยเฉยอย่าไปกลัวตามมันนะพอหลงกลัวปุ๊บมีสติปุ๊บดึงลงมา นะสักดาวารู้สักดาวาเห็นนะนี่ก็คือการฝึกของเราถ้าเราไม่ฝึกว่ายน้ำเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะก็จบอยู่ที่ว่าอดทนศรัทธากระสงที่เราฝึกต่อไปทุกคนทำได้เนาะความสุขที่แท้จริงคืออะไรนะเมื่อกี้พรกคูเกิดอยู่แล้วว่าความสุขมีสามระดับเนาะ ความสุขที่แท้จริงแปลง่ายๆคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระจิตอิสระจากพัฒ น, นาการทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตมัน่ ล, ละมันมันไม่ทุกข์แล้วเนะี่ยคือความสุขอย่างยิ่งนั่นะคือวิปัสสนาสุขไม่ได้สุขเพราะมันได้อะไรนะแค่มันอิสระจากพัฒ น, นาการทั้งหลายทั้งปวงอาการอย่างนั้น คนที่ไม่ทุกข์แล้วนั่นเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนิยามความสุขของคนเราแตกต่างกันเราสามารถไปตัดสินความสุขคนได้ไหมครับว่าคุณจะต้องมีความสุขตามนี้นะถึงจะเป็นความสุขที่ถูกต้องแท้จริงถ้าไม่ใช่แบบนี้ถือว่าผิดนะมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะความจริงมันเป็นแบบนั้นบอกว่า เขารวบรวมความสุขมีสามระดับมีสามอย่างส่วนข้อปีกย่อยสุขเพราะฉันได้กินเหล้ากับเพื่อนนะอันนั้นก็เป็นการมาสุขเป็นสิทธิของเรานะแต่คนไปบอกว่ามันไม่ถูกเขาก็สร้างบัญชีกับนะแต่สิ่งที่เราทําเราจะไปหลงว่า ม, มันถูกนะเออถ้ามันถูกจริงๆต่อไปเนี่ยอย่าทุกข์นะ เดี๋ยวก็ตับแข็งบ้างเดี๋ยวก็โรคไตบ้างอะไรพวกนี้นะมีแต่ว่าเราพูดความจริงว่าความสุขมันเป็นสารปรดับนะเออแต่อันนี้หมายถึงว่าเป็นสุขทางโลกอะมันชอบไม่เหมือนกันไงบางคนได้ไปเล่นดนตรีก็มีความสุขบางคนได้กีฬาก็มีความสุขเออบางคนได้ไปทานข้าวกับแฟนก็มีความสุขนั่นคือโลกิยาสุขนั่นคือการเมสุข ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดชอบอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นทำถูกมันก็ถูกทำผิดมันก็ผิดเนาะไม่มีใครบังคับเราได้หรอกบางทีเขาเตือนเราเฉยๆเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหรือมีอาการหลงลืมนั้นเกิดจากสิ่งใดและเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะสันเกตอยู่ย ถ้าคนที่มาทางสายธรรมมันเป็นเพียรเนี่ยนะคุณแม่ป้ากูอายุ90สิบเดือนไม่หลงลืมสติดีจนวินาทีสุดท้ายแต่คนที่เราที่นี่มันเข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่ใช้สมองบ่อยๆมันจะเป็นอัลไซเมอร์มันกลับกันไอ้ที่ใช้บ่อยๆนั่นแหละนะรถยนต์มันมันเก่าแล้วก็ใช้ๆชๆใช้ใ้ใช้นั่นแหละมันจะเสื่อมก่อนเข้าใจไหม มันกลับกันแต่ชีวิตเราเราก็ใช้ใช้มาแต่ว่าบัน้นปลาถ้าเรามีโอกาสามาขัดเกลาตัวเองนะมาปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆนะแล้วก็มีสติมีสตังคนะ์มันมันก็มีสติจำแม่นเนาะอันนี้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เสมอไปนะบางครั้งเกิดขึ้นกันในกอกันในขอเนี่ยเนื่องจากเหตุเหตุสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันหมด เราจะพิจารณาด้วยตนเองได้ไหมว่าพระรูปนี้เป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ถามสั้นๆเนาะเราพิจารณาด้วยตนเองได้ไหมว่าพระรูปนี้เป็นพระหั้นได้เป็นสติของเราชวนจะเป็นอย่างที่เราพิจารณาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะมันไม่เกี่ยวว่าเขาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า เ, าเกี่ยวว่าเราเป็นหรือ ย, อยางเนาะ นะส่วนมากไม่ค่อยดูตัวเองเราก็ไปชอบไปแอบดูคนอื่นอันนี้เป็นหรือเปล่าว่าของจริงของปลอมหรือเปล่านะนะสิทธิเราทําได้เนาะเราพิจารณาได้ว่าคนนี้เป็นไม่เป็นเป็นสิทธิของเราส่วนมันจะเป็นอย่างที่เราพิจารณาหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเราจะทําอย่างไรให้ไม่เป็นทุกข์ทําใจทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ ทีนี้ถ้าเราไม่มีอินทรีย์พลังของจิตเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้เราจะสู้อารมณ์กลัวที่ใจไม่ได้แล้วทุกข์เพราะเรากลัวความกลัวเกิดมาจากความอยากอยากปลอดภัยกลัวไม่ปลอดภัยเราก็ทุกข์ละนั้นเนี่ยเราต้องต้องเสียเวลามาฝึกจิตไงคำตอบคือต้องทำใจอย่าให้มันทุกข์มันทำไม่ได้ไงเพราะมันทุกข์นะเพราะว่า จิตเราไม่มีกำลังที่จะควบคุมอารมณ์ที่ใจคำตอบคือเราต้องเสียเวลามาฝึกจิตมาเจริญธรรมนี่คือคำตอบเนาะมีทางเดียวที่จะคุมใจเราได้ก็คือปัญญาของจิตเราจะควบคุมจิตใจของตัวเองได้หรือไม่อย่างไร คำตอบก็คือว่าฝึกตอนนี้เนี่ยควบคุมจิตเราเราจะเอาใครมาควบควบคุมจิตเราเราก็คือจิตจิตก็คือเราจิตก็คือเราเราก็คือจิตเนาะบังเอิญว่าไอ้จิตตัวนี้มันถูกใจเราควบคุมต่างหามันถูกกิเลสตัาหาควบคุมเรามีหน้าที่ปลดปล่อยจิตเราให้อิสระจากตรงนั้นทีนี้จิตกลายเป็นควบคุมใจนะตอนนี้จิตใจมันควบคุมจิต นะปลดปล่อยจิตเราให้ได้อยากเป็นธาสของใจนะจิตอิสระจากใจอารมณ์ที่ใจก็หลอกเราไม่ได้ใช้เวลา น, านานเท่าไหร่จึงจะปล่อยวางจากความทุกข์ได้ค้ากำไรเกินควรละถามเวลาแล้ว <laughs> อย่าแก้งลืมนะเราสะสมเจ้าหนี้มาหลายภพหลายชาตินะนะบางคนใช้เวลา ตอนพวกครูเขียนหนังสือสามชั่วโมงมารู้ธรรมนะญาติธรรมขอรองแล้วก็เอาออกสู่โลกภายนอกทั้งดอกไม้ก้อนอิดลอยมาพร้อมกันเลยได้ยังไงได้ยังไงสามชั่วโมงพระพุทธองค์ชาติสุดท้ายยังต้องหกพรรษาแล้วมองแบบตา ก, กายอย่างนั้นนะเอาบังอาจเอาไปเทียบกับพระพุทธเจ้าอีกมันคนละเรื่องอย่างนี้พระลาหุน อย่างนี้เนรบัณฑิตเนี่ยก็เก่งพระพุทธเจ้าสิแค่เจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นพระอรหันต์แล้วเอพระหิยะนี่ไม่รู้เรื่องศาสนาเลยเหมือนพวกกูนี่แหละเป็นพ่อค้าเรือรบ ก, กัจะเป็นบ้าบุญเก่าทําให้เจอพระพุทธเจ้านะพระองค์บินธาบารอยู่ก็กาพิมลเทศให้ฟังหน่อยมันทุกข์มากพระองค์บอกไปวัดไปวัดไปวัดไม่รู้กาละเทศะประเทศอยู่กลางถนนเนี่ย ไม่ยอมนิมนต์อยู่ตรนนั้นแหละสาครั้งพระองค์ก็เลยเห็นว่าราจิตอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันอายุสั้นมันจะไปแล้วก็เลยบอกว่าสัตธรรมรู้สัตธรรมเห็นสัตธรรมได้ยินสัตธรรมได้กลิน่นสัจธรรมลิ้มรสสัจธรรมกระทบผัสสะไม่พิจารณาไม่ตัดสินไปสปาร์กจิตเดิมพะฮิยะตื่นขึ้นมาเออใช่ที่เราทุกข์เพราะว่าเอามาคิดทุกเรื่องได้ยินเออมันพูดว่าอะไรวะมันว่าฉันดื้อเปล่าเห็นไหม เห็นปุ๊บทำไมมันทำอย่างนี้อีกเห็น <g iven> ไ, ไหมกินก็ไม่กินเฮ้ยไม่อร่อยเลยเนี่ยหาเรื่องทุกเองเพราะไม่อร่อยพยายามแค่คํานี้คําเดียวนี่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็ชนะพุทธเจ้าสิอย่าบาังอาจจะเปรียบเทียบกับพระองค์ไม่ใช่บรรลุธรรมเร็วแล้วก็คนนั้นเก่งไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้านี่พระองค์ต้องสะสารคดีความทั้งหมดต้องอย่างรู้ไม่ใช่เฉพาะฟ้าดินนะฟ้าดินเนี่ยเรื่องเล็กนะ อย่างรู้ทั้งหมดเลยทั้งจั ก, กรวาลพบชาติต่างๆให้รู้หมดเลยแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยเห็นไหมพระองค์ต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าแห่งพุท ธ, ธนะอย่บาบังอาจไปเปรียบเทียบนี่เราไปคิดเรื่องเงื่อนไขเวลาว่าเออคนนี้เอาล่ะคนนี้เรียนปริญาตีสี่ปีคนนี้เรียนสามปีเก่งกว่าคนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่การศึกษาแบบนั้นเนาะเรื่องบา ร, รมีธรรมเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกันมันไม่เหมือนกันนะก็ ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะปล่อยวางจากความทุกข์ได้ถ้าให้หมอบรรชามาตรวจเนี่ยหมอบรรชาบอกว่าแค่สองวันถ้าไม่วันขี่ก็วันคู่อย่ามีเงื่อนไขเวลาสัศรัทธาทุ่มเทมันเถิดนะแต่ใปที่ไปลมหายใจอยู่พระพุทธองค์เนี่ยตัดสรู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเห็นไหมทำไมไม่อยู่ บรรลุสำเร็จแล้วไงยังต้องทำหน้าที่ยัยงทำงานอยู่อีก4ี่สหพันษาเนาะนะทำต่อไปอตามหลักของทฤษฎีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออะไรครับและอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงครับโอเ ค, อเคทฤษฎีไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาจากเขาเรียกว่ากฎพระใจรัก ลักษณะสารประการของธรรมชาติที่พระพุทธองค์เป็นตัดสรุมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติอีกกี่ล้านปีก็ยังคงอยู่ผู้เจ้าเป็นตัดสรู่สิ่งนี้ว่านั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นอนิจจ์นะเพราะมันไม่เที่ยงนะมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเห็นไหมอยู่ๆเราก็เป็นเบบีล้วก็จริงๆแล้วเซลล์เราเปลี่ยนบ่อยๆนะเซลล์ใหม่ทำไมไม่เปลี่ยนให้เราเป็นอุ้งสาวตลอดเวลามันเปลี่ยนถ้าเราแก่ทําไม แปลกใจไหมถ้ามันเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนเป็นหนุ่มสาวตลอดมันเปลี่ยนให้เราแก่ทําไมนี่คือกฎธรรมชาตินะมันเป็นอนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังทุกขังตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตกนังค่ากับความสุขไม่เกี่ยวทุกขังตัวนี้คือดําลงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วคราวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นทุกขังแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะยืมมันนะ ให้มันอยู่ยงคงกระพันพอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราก็เลยทุกข์ไปเพราะเราไม่ยอมรับกฎความจริงนะแม้กระทั่งดวงอาทิตย์นะบางเอว่ามันใช้เวลายาวหน่อยหนึ่งน่ยนะดวงอาทิตย์มันก็เผาตัวเองตลอดเวลาแหะนะแต่ว่ามันใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแหะแต่สุดท้ายมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะทุกอย่างมันดำรงอยู่ได้ยากนะมันเป็นของชั่วคราวเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาอนัตตาคืออะไร มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนไม่ใช่ไม่มีตัวตนเพราะครูไม่ชอบเขาแปลจากวิชาการว่าอนนตาแปลว่าไม่มีตัวตนมันมินเ ม, มต่อขั้นใครนั่งอยู่ที่นี่มีตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวนะถ้าไม่มีตัวตนใครเป็นคนเวียนไหตายเกิดถ้าไม่มีใครเป็นคนเกิดและใครเป็นคนดับเนี่ยการใช้ภาษานี่ต้องระวัง อันนี้ร้อยทั้งร้อยไปเรียนวิชาการมาตอบอนะอนัตตาคือไม่มีตัวตนผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่มันมีเมต่อการหลงผิดนะมันมีถ้าไม่มีล่ะอะไรอะไรจะเป็นคนไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงใช่ไหมมันมีแต่มันเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าไม่มันไม่เที่ยงเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าถึงเตือนว่าอย่ญญาพึ่งเชื่อตารา อย่าเพึ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราบางทีเขาเป่งออกมาเอกเขาไม่ได้พูดผิดแต่เราปัญญาไม่ถึงเราเข้าใจผิดเราก็แปลผิดเราก็ไปทำผิดนะฟังหูไวหูปฏิบัติด้วยตัวเราเองเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งนั้นเราก็เข้าจิตเข้าใจด้วยตัวเราเองนะ อยากให้พรอครูอธิบายนิยาม Who am I? ซึ่งสิ่งนี้เราสามารถนาไปปรับใช้กับการพัฒนากายจิตได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับกับคำว่า Who am I? ก็ถามว่าเราเป็นใครตอนนี้คุณครูนั่งที่นี่ใครรู้ว่าวว่าตัวเองเป็นใครช่วยยกมือขึ้นแลกเปลี่ยนครับใครรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ก็เพราะเรายังไม่รู้เป็นคนใครเร า, าก็ตั้งโจทย์ว่าเราเป็นใครทีนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครสมมติเราอยากรู้ว่าตัวเป็นใครตื่นเช้ามาปึ๊บแล้วก็ไปวิ่งดูต้นไม้ไปวิ่งดูสวนสัตว์ไปดูลิงดูเสือดูน่นแล้วเราจะมีโอกาส ร, รู้ว่าตัวเองเป็นใครไหมเมื่ออยากรู้ว่าตัวเป็นใครเราก็อยู่กับตัวเองหลักตาอยู่กับตัวเองเรื่อยๆดูตัวเองแล้วสักวันหนึ่งมันจะโผล่ออกมาเลย รู้แล้วว่าฉันเป็นใครมาจากไหนทำไมต้องเกิดอยู่ในร่างนี้ทำไมอยู่ในร่างสตรีทำไมอยู่ในร่างบุรุษนนั่นแหละเมื่ออยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ดูตัวเองอยู่กับตัวเองบ่อยๆตอนนี้ชีวิตเราไม่ใช่ลืมตาปุ๊บเราก็เห็นคนอื่นเห็นลูกเห็นหลานเห็นเห็นเห็นอะไรเนี่ยแล้วเราไม่เคยดูตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะคถามนี้ตั้งโจทย์ให้เราเตือนว่า เราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเราเป็นใครถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครชีวิตคืออะไรเราจะบริหารชีวิตเราไม่ถูกต้องไอคำพูดนี้ก็เอามาใช้กับที่เราปฏิบัติแล้วว่าเราปฏิบัติทำไมเพื่อหาคำตอบว่าเราเป็นใครเราอยากรู้อนาคตอนาคตยังไม่เกิดรู้ได้อย่างไรทำไมบางคนเห็นอนาคตนะคุณครูทุกวันนี้ก็เห็นอนาคต ที่เมื่อกี้บอกว่าเด็กหนึ่งบวกสองเท่ากับมันยังไม่เขียนเลยทําไมคุณครูรู้ว่ามันจะเขียนสาความรู้เหล่านี้มาจากไหนจากคุณครูมีประสบการณ์รู้ว่าอาดีตคุณครูคเรียนมาแล้วอดีตกรรมมันเป็นหนึ่งเราเห็นกรรมปัจจุบันสองปุ๊บเราจะเห็นอ น, นาคตโดยไม่ต้องนึกคิดทีนี้เรารีวายไปอดีตเห็นไหมผู้เจ้าตัดสรู้ทำเนี่ยไม่ใช่นั่งเทียนเขียนว่าโอ้หน้าจินตนาการน่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ พระ อ, องค์เห็นจากอดีตของพระ อ, องค์เองเลยสมัยเกิดชาติน้นเป็นอย่างนี้เผลอสร้างกรรมอย่างนี้เกิดมาชาตินี้รับกรรมอย่างนี้เห็นหจนชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระเวสสันดรเห็นหมมอบกันหาชาลีลูกลักสองคนเนี่ยเอาไปให้กับขอทานนั่นคือทานที่ยิ่งใหญ่นะไม่งั้นอีกชาติหนึ่งไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็เห็นไง เราเห็นจัดเมื่ออดีตเป็นบทเรียนทาให้เราเห็นอนาคตนั่นแหละอนาคตยังไม่เกิดรู้ได้ทำไมจะไม่รู้ละ่ะคุณลุงคนหนึ่งถือสีมาคุณลุงไปไหนไปซื้อสีทำอะไรจะไปทาบ้านเราเหลือไปเห็นบุตรเรเรียนหนังสือไงเขาเขียนคำว่าสีขาวเรารู้อนาคตจะไม่บ้านคุณลุงสีอะไรทฤษฎีเดียวกันหลักกฎแห่งกรรมก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสยลาเนาะก็ เวยนไปถามตัวเองบ่อยๆแล้วก็ดูตัวเองบ่อยๆถ้าไม่ดูมันจะเห็นไหมนะบางท่านตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยไปเก็บกระดูคนเขาเผาผีใช่ไหมกล้าไปเก็บไหมนะเวลาเขาเผาเสร็จไปเก็บใช่ไหมเคยไหมเมื่อเราไม่เคยเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหม <laughs> เมื่อเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นไงเหมือนกันถ้าเราไม่ดูตัวเองเราจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครหรือ ลืมตาพุทธิจะเห็นคนอื่นเห็นไหมนั่นแหะจากนี้ไปเนี่ยดูตัวเองบ่อยๆนะคำว่าฮ ว, าวาไบเป็นการเตือนสติตัวเองให้หาคําตอบให้ตัวเองให้ได้เราเป็นใครเราสามารถกําจัดสิ่งขวางกัน้นทางเดินของจิตได้อย่างไรสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตถ้าในทางศาสนาเขาเรียกว่านิวรณ์นะมันมาในรูปของ ความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยนะเออความติดใจในกามคืออะไรชอบสบายอุย้ยนั่งมันมันเมื่อยอุย้ยนั่งแล้วมันร้อนน่นะนะมันเป็นขวางกั้นเราเนี่ยนะเออเราต้องข้ามมันด้วยว่าต้องมีขันติอย่าเพิ่งขันแตกก่อนนะต้องอดทนเห็นไหมต้องฝ่าวันมันให้ได้นี่แหละถ้าไม่มีเครื่องมือตรงนี้มันก็ไม่มี ม, มาตวาัดว่าเนี่ย แล้วก็สร้างกําลังไม่ได้อย่าไปรังเกียดมันนะ เ, เราปฏิบัติมันยังคิดอยู่อย่าไปรังเกียจความคิดเอาความคิดมาเป็นครูรู้เท่าทันมันแล้วเราฝึกให้เราอย่าไปคิดตามมันถ้าเราฝืนได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีกําลังนะจิตของคนเราสามารถบังคับได้ด้วยอะไรครับจิตมันเองตัวสติสมาธิปัญญามันเป็นอยู่ในจิตเองนั่นแหละ ตอนนี้สติสมาธิปัญญามันถูกข้องําด้วยอวิชชาคือความรู้ผิดเห็นไหมเออเรามีหน้าที่สร้างแรงแรงเบี่ยงให้กับจิตเนี่ยให้มันขัดเกลื่อนพวกนี้ออกนะแล้วก็สติปัญญามันมีอยู่ก็ปุดขึ้นมานั่นแหละตัวมันเองเนี่ยควบคุมตัวมันเองได้เหมือนชีวิตเราตอนนี้ทำไมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าโกรธไม่ดีคุณครูที่นั่งอยู่ที่นี่ถามกลับกันดีกว่า ใครเกิดมาไม่เคยโกรธบ้างช่วยยกมือหน่อยหนึ่ง้มทุกท่านรู้หมดว่าโกรธมันไม่ดีแล้วทำไมเราคุมไม่ได้นะทุกคนรู้ว่าโกรธไม่ดีโกรธแล้วเหนื่อยเนื่อหน้ามืดตามัวบางทีนี่ไม่ฆ่ามันเราก็ฆ่าตัวเองตายนะเนี่ยเรารู้ทั้งรู้นะเราเข้าใจแต่ไม่เข้าจิตสมองรือ จ, จิตไม่รู้นั่นแหละคาตอบก็คือว่าทำไมเราต้องเสียเวลามาจบัต ให้จิตมันรู้แล้วต่อไปตัวโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่มันไม่มีนะแต่มันไม่มีกำลังพอที่จะหล่อให้เราดึงให้เราไปโกรธกระตางมันเนาะก็คำตอบก็คือเดินไปเรื่อยๆเหตุบังเอิญของชีวิตกับชะตาชีวิตคนมีปัจจัยมาจากกรรมเก่าของมนุษย์ใช่ไหมครับ กรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลเพราะครูเคยยกตัวอย่างหลายทั้งก็ยก ต, นะตัวอย่างก็ยกตัวอย่างมามองภาพชัดเทียวก่อนก็ยกตัวอย่างนี้คุณครูนะสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายจะการห้าคนมามาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งอีกคนละวันเวลาเดียวกันที่เดียวกันขับรถมายางระเบิดไปเจอชายจะการหคนคนละกุ๊แทนที่จะช่วยเรามาฆ่าข่มขืน อุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายอุบัติเหตุเราเข้าใจว่าบังเอิญคนนี้มันมาช่วยบังเอิญคนนี้มันมาฆ่าไม่มีไม่แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุมันคืออุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนะที่ว่าดวงดีชะตาชีวิตดีอะไรไปกําหนดบุญกรรมที่เราสร้างมาเป็นตัวกําหนด นะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่มีบังเอิญอยู่ที่การกระทําของเราทั้งนั้นทีนี้การกระทําในอดีตเราผ่านแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเราเลือกได้เราจะเลือกทาสีขาวทาสีดําก็เป็นสิทธิของเราเนาะเราเลือกได้นะก็ปัจจุบันเนี่ยทำแต่ความดีละความชั่วขัดเกาจิตนะครับแค่สามอย่างไม่ใช่นิพานอยู่ใกล้ๆนะนิพานมันอยู่ข้างในมันรอเราแล้ว ทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วเ น, น่อยู่ที่ว่าใครจะเข้าไปถึงมันนะไม่ต้องไปที่ภูเขาหิมาลัยนะหลายคนไปอินเดียมาตั้งสามี่สิบรอบแล้วยังไม่มรรลุธรรมเขาไปหาหนี่ผ่านนอกกายมันไม่ใช่มันอยู่ข้างในนะ เมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองทำไมเราจึงรู้สึกหงุดหงิดง่ายโมโหกับเรื่องเล็กน้อยจนเราเบื่ออารมณ์ตนเองมีวิธีทําให้เราคุมอารมณ์ให้สงบและใจะเย็นลงไหมครับมีครับครูก้อยนำเสนอเราอยู่ทุกวันนี้นี่คือคำตอบ ไม่คิดไม่คิดเอาเองว่าเธอจังงดยินนะหน้าเกลียดหน้ากลัวฉันเบื่อเธอจังเลยพูดปุ๊บมันก็ทำอีกยิ่งพูดมากไปยิ่งทำเยอะคิดเอาเองไม่ได้ก็ต้องฝึกนะ <S <S แล้วฝึกนี่เราได้อะไรอะรร่างกายแข็งแรงด้วยจิตเฟิร์มด้วยนะแล้วปรับสมดุลทางอารมณ์เรียกว่าอิโมชันดีทอมคือมันมากไปสูบมันออกสูบมันออก เห็น ไ, ไหมที่เมื่อวานพระคุยกตัวอย่างว่ารถคันนี้เรียกว่ากีเรสรถสูบ น, น้ํามันออกเรื่อยๆจนยไม่มีน้ํามันแล้วเนี่ยรถกีเลสนี้มันเดินไม่ได้หรือบุญยศมันมีอยู่แต่มันไม่มีพลังโอแสดงตัวแล้วกำลังทําอยู่นะไม่ต้องใจร้อนนะทําไป เ, เรื่อยๆเนาะปฏิบัตินานๆจิตตัง บางครั้งหมุนปฏิบัติสมาธิเบียดบางครั้งกริ้งแต่ไม่เคยเห็นอะไรหรือรู้สึกอะไรอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จึงไม่เข้าใจแบบนี้คือเข้าจิตหมคะไม่เข้าใจดีแล้วก็ทาไปเรื่อยๆใครเป็นคนกริ้งถ้าเราใช้สอมองคิดนีง เรามากิ้นทำไมนั่นแหละทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยให้มันกิ้งริงๆให้มันหมุนๆจุ่นั่นแหละเดี๋ยววันหนึ่งมันเด่นชัดแล้วเนี่ยเราจะอ๋อเองไม่ใช่สมองเราสั่งการเห็น ไ, ไหมแล้วใครเป็นคนทำเนาะบางคนนั่งไม่ได้กิ้งนะนั่งแล้วก็เออไล่ลังท่านั้นท่านนี้ใครเป็นคนลังสมองเราสั่งเหรอแล้วทําไมต้องนลำแบบนี้ชีวิตนี้เราไปฝึกมาจากไหนนั่นแหละ จิตเห็นจิตก็คือว่าถ้าข้างในมันดําเนินเองแล้วเนี่ยนะเพราะครูถามว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนจิ้งจิตปัจจุบันก็เห็นแล้วมันทําอะไรก็รู้เฉยๆว่ามันทําอะไรนั่นแหละคือเจิตเห็นจิตคือมากแล้วเราเข้ากระแสะมากแล้วเนาะก็ทําไปเรื่อยๆคนระับแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นเด่นชัดเราจะเราจะแยกได้ว่ามันคืออะไรเพราะครูใช้คำว่าอินไซน์เอาข้างในมันสั่งข้างนอก ไม่ใช่สมองข้างนอกนี่สั่งข้างใหนนะอันนี้คือมันดำเนินด้วยตัวมันเองยืนหมุนไปหมุนมามันเริ่มทรงตัวได้ที่มีลูกเล่นลวท่านโน้นท่านี้ถามว่าใครลําสมองลําจริงไหมนะหรือจิตปัจจุบันลําจริงไหมมันมาฝึกมาจากไหนนะทำไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น น, นะจนเราหายสงสัย ตั้งแต่ได้ปฏิบัติมารู้สึกตรงเกี่ยวกับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตายการเกิดการยินดีจิตใจนิ่งขึ้นแต่เวลาปฏิบัติก็ตั้งใจทำแต่ทำไมถึงไม่เห็นอดีตเหมือนคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นไม่ต้องเห็นก็ได้เห็นแล้วก็ต้องเสียเวลาเวียนมันทิ้งอีกเนาะ เห็นก็ต้องบอกสัจธรรมรู้สัจธรรมเห็นเหรอไม่ต้องเห็นอะไรก็ดีแล้วหรืออยากจะมีเรื่องเหรอเห็นก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่เห็นก็เอาที่อารมณ์ไม่เห็นนั่นแหละมาใช้ประโยชน์เนาะรู้ว่ามันว่างก็รู้ว่ามันว่างเนาะรู้ว่ามันเคลื่อนไหวก็รู้ไม่ใช่เราเห็นเราเห็นทุกวันนะไม่ใช่ไม่มีอารมณ์นะส่วนเป็นอารมณ์ปัจจุบันหรืออารมณ์บัณฑิตนะก็ก็ไม่เป็นไร แต่เผยอย่าไปอยู่อนาคตกันแล้วกันอันนั้นมันเรื่องยังไม่เกิดเนาะการเข้าจริงแล้วทรมานจะเข้าไปทําไหนนี่สุขนิยมแล้วติดสุขนิยมเนาะเข้าไปขัดเกลาจิตให้โปกส่สเลยนะถ้าไม่เห็นทุกข์เมื่เห็นทํนะแต่ชีวิตเราชอบสุขอะไรที่ทุกข์เนี่ย ไม่ยอมไม่ยอมทำไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นความจริงว่าเรามีทุกขเป็นประธานใช่ไหมเราก็ชะล่าใจใช้ชีวิตเราเอ้อเรเหยกับความสุขจองความนั้นแล้วสุดท้ายบางทีเราพูดภาษาชาวบ้านว่าตายเปล่าชีวิตนี้ไม่ได้ทําอะไรก้าวหน้าเลยการเข้าจิตคือตัวตนจริงๆของเราหรือเปล่านะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวตนจริงๆในอดีตเรา แต่ตัวตนจริงๆๆปัจจุบันเนี่ยเราต้องขัดเกลวไอ้กิเลสตัณหาประธานที่เราบ่มเพาะในชาตินี้เนี่ยออกแล้วเราจะเห็นตัวตนจริงๆของจิตปัจจุบันนะแต่รอบนี้เราพึ่งบารมีของจิตเดิมประสบการณ์ของเขาเนี่ยนะมาช่วยเสริมพลังให้จิตปัจจุบันปลดปล่อยตัวเองนะตอนนี้ตัวตนของเราเราตัวตนเราจริงๆแล้วไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรานะของกิเลสเรา นะที่เราชอบโกรธนะชอบโมโหเนี่ยหมอนี้ตัวตนเขาเป็นยางไงแี่ยนะตัวตนของกิเลสเขาจริงๆแล้วจิตเดิมเขาไม่ใช่อย่างนี้เนาะมันเป็นตัวตนซึ่งเกิดจากกิเลสเขาการเท่าจิตกับร่างทรงมาทรงคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันเข้าทรงคือเอาไซน์อินเราถูกพลังข้างนอกมาครอบงำร่างกายนะคือเข้าถูกทรงถูกพลังข้างนอกจิตข้างนอกมาครอบงำเราเนะีเหมือนผีเข้าเหมือนกันอันนั้นก็คือว่าเราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับการพัฒนานะอันนั้นเรียกว่าเอาไซน์อินแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเข้าจิตเนี่ย อินไเอาการแสดงออกของเราเด็ยเกิดจากอารมณ์ของจิตเดิมเราจิตปัจจุบันได้เรียนรู้กับมันอย่างเขาเข้าทรงที่ภูเก็ตนะ9กเนี่ยของเจมหมดนะเคยมีทรงคนหนึงดังมากเลยเขาออกโทรทัศ น, น์เนี่ยเขาเผยเลยว่ามันฝึกเอาไอ้ที่เราเสียบไปไทําไมสตีทําไมเราเจาะหูเราเสียบตุ้งหูได้ทําไมไม่เจ็บหลายแห่งเราทรกแล้วมันไม่เจ็บอะไรหรอกถ้เสียบไปแสดง น, นนะ แต่มันเป็นมันเป็นพิธีกรร ม, มเป็นเพณีโอเคก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งก็ทำไปนะแต่ทรงจริงๆมีไม่มียืนยันว่ามีนะเอออย่างพวกบางทีก็เรียกว่าผีเข้าผีอะไรนี่นะเพราะกูเจอมาเยอะมากนะยิ่งสามปีก่อนมาเนี่ยในยีสานี่เจอเยอะเลยนะมียายคนหนึ่งมาเนี่ยตอนนั้นศูนยยังไม่เปิดมาปฏิบัติแล้วอารวาสใหญ่เลยนะ เออสั่งพี่เลี้ยงบอกต้องเรียกอาจารย์เนี่ยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาคารว่าเขานะไม่งั้นเขาไม่ยอมหยุดเนาะพ่อครูก็ไปเจอเทียนใหญ่ขนาด น, นี้นะใหญ่มากนะอันนี้โคตรท่อโคตรแม่เทียนปึ้งไอ้ผีมันวิ่งหนีเลย <c oughs> ผีหลอกไงไม่ใช่ผีจริงเนาะนั่นแหละคนมันเล่นของก็อยากจะลองของอะนะนั่นแหละ คือว่าเขาต้องการให้คนเขาลบเขาเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วใช้เวลาเวลาออกกำลังกายเล่นฟุตบอลจึงรู้สึกเหนื่อยแต่ทำไมปฏิบัติ s อดี D จึงไม่รู้สึกเหนื่อยครับทั้งที่กระโดดโลดเต้นเป็นชั่วโมงครับเตะฟุตบอลเราใช้ใจเตะ เราเช็คแอแนแดนเราใช้จิตความเหนื่อยเวทนาัะขึ้นที่ใจนะคำตอบมีอยู่แค่นั้นไม่มีสมาธิในการปฏิบัติทำอย่างไรคะทำใจแล้วก็ทำต่อไป <S <S ความฟุ้งซ้านตัดออกได้แต่ความง่วงตัดออกไม่ได้คะ่ะทำอย่างไรคะดีเนาะ นะถ้าเช็คแอดแดนยังง่วงอยู่เนี่ยให้มันรู้ไปนะเวลาเรานั่งสบายที่เนี่ยความเง้าหง่วงาง้าหานอนมันจะมาขวนเราอยู่นะอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะมันเป็นธรรมอารมณในอดีตสมัยเราคว่าเราทํางานเนี่ยตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยพรุ่งนี้จะสอบแล้วมันยังอ่านไม่จบเลยเนี่ยหาวอยู่นั่นแหละก็ไม่นอนเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะมันก็บันทึกสัญญาพอเราดั่งปุ๊บมันก็แสดงออกมามันเป็นกรรมไงมันก็เอาความง่วงนั้นมาครอบงำสติ มันมีประโยชน์ไอ้มิสเตอร์ง่วงเนี่มันเป็นคู่ซ้อมเราต้องขอบคุณมันเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าแรงด้วยนะเออนักบวยไม่มีคู่ซ้อมมันจะเก่งได้ยังไงนั่นแหละนะก็ก็ผ่านม า, น, น, านั่งจับนั่งง่วงก็ขึ้นมาเต้นเลยเต้นมันยังง่วงอยู่ก็ให้มันรู้ไปเนาะการเข้าจิตของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลหรือไม่ หรือมันเป็นอุปทานของแต่ละคนครับเป็นของกับคำถามนะดีมากการเข้าจิตมันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลรือไหมครับตอบว่าไม่ใช่ความชอบนะไม่ใช่ความชอบหมายถึงเข้าจิตแล้วนะไม่เกี่ยวกับความชอบหรือมันเป็นอุปทานของแต่ละคนครับใช่ไม่มีแม้ต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอุปทานแตเป็นอุปทานในอดีต เรากำลังล้างอุปทานออกนะล้างอุปทานออกทำตามอุปทานนี่แหละจิตปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าเรามีอุปทานอะไรบ้างนะครับทำไมการนั่งเบี่ยงแล้วมือจะแสดงท่ากลางกวนอิ่มนะกับถ้าถ้าทางสายแขกเท่านั้น เป็นคล้ายๆกันตลอดอันนี้เป็นเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์กรรมฐ า, านอารมณ์กรรมาฐานส่วนมากในฝึกแนวเราเนี่ยถ้าเป็นสมัยยุคก่อนหน้านี้พ พ, พ, พุทธการหรือว่าเลยตรงนั้น่ะนะแนวที่เราฝึกเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมอยีและทิ่จิบมันทึกก็คือว่าอยู่ในจีนกับอินเดียถ้านิ้วแบบนี้เพราะกูบอกแล้วไงนิ้วกวนอิ๊บ เป็นสัญลักษณ์ของพระพธิสัตว์ควรยิมห่งสองสองนิ้วนิ้ ว, วดวงกันเป็น3นิ้วชี้เป็น4นะมักมีองคาแต่ถ้าเป็นอินเดียก็นิ้วนางก็1 2ึ่สมเหมือนกันสองข้างก็มักมีองคาถ้าเป็นพระทั่วไปเขาก็เนี่ยแบบนี้ก็ 1. นึงม4นะอันนี้เป็นจิตเดิมที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้จเจริญมากข้จิต นะโดยใช้นิ้วเนี่ยมาเตือนสติให้อยู่ในมารกในทางนะครับได้เป็นโปรแกรมหนึ่งของเราเราทำไปเรี่อยเรามีหลายโปรแกรมแนละ้วจิตมันจะเลือกโปรแกรมหลักที่เราเด่นที่สุดในอดีตเนี่ยมาต่อ ย, ยอดให้จิตปัจจุบันขอให้ดำเนินต่อไปนะอันนั้นแะมันออกมาจากข้างในหละไม่ใช่สมองเวลานี่เราทำเองนะเหลือข้อสุดท้ายการเจริญสติจากการทาสมาธิเบี่ยง แตกต่างกับจิตที่มันนิ่งแล้วอย่างไรอันนี้ค่อนข้างจะจ ะ, จะจะไม่ไม่เข้ากันนะเอ่อทำสมาธิเวียงกับการเจริญสตินะแตกต่างกับจิตที่มันทั้งสองแบบเนี่ยมันทำให้จิตนิ่งได้ทั้งหมดนะแต่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนเหมือนที่ปกตอม้ยนะเวลาเรายืนหมุนเนี่ยเรานิ่งอยู่กับมันเนี่ย อย่างพายุทอรนโดเนี่ยแรงมากนะจุดที่ปลอดภัยที่สุดคืออยู่แกนกลางมันแต่เรานิ่งเรานิ่งอยู่กับตรงนั้นน่ะนั่นแห ล, ละมันก็หมุนข้างนอกบางคนนั่งชานกดมันไว้นะเออถ้าจิตมันนิ่งมันก็นิ่งร่างกายก็อยู่เฉยๆนะแต่เราเข้าใจว่านิ่งร่างกายต้องอยู่เฉยๆอันนั้นเราค่อนข้างเข้าใจผิดออการเจริญธรรมหรือการฝึกจิตเนี่ย มันจบอยู่ที่เจตนาของจิตอยู่ที่อารมณ์ของจิตนะนิ่งอยู่กับทุกๆอริยบทโอเคนะก็ใช้เวลารบกวนคุณครูเกินไปแคกเจนาทีนะคือให้มันจบกระบวนการโอเคได้เวลา